่วนกอืมฮ่นยดิอ <Huh. S 1> ่าพ่มาบ้างพ่ออกมาไหมพ่อออกมาไหมออ่าฟังทำกันได้ทำสอนตัวเอง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 ก็ไ ม, มไม่หลงเป็นธรรมก็ไม่หลงเป็นธรรมดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมอยู่ในขณะเดียวกันแล้วเราก็ดูแลตัวเราสอนตัวเราใช้ชีวิตตามปกติอย่าเคร่งเทียดเชี่ยงเฉิมอย่าให้ยากอย่าให้ง่ายสนุกไปกับการงาน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 เหมือนกับพะหนะไม่เรียบก็บทุกข์ก็เทือนเมื่อที่หัดไม่ดีก็วิ่งไม่เรีย บ, ยบนั่งนะขี่หลังไม่สบา ย, ยขับรถไม่ดีก็ก็ทุกข์ก็เทือนทั้งเบรกหลวมทั้งเบรกทั้งเบรกคันเล่ง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 ปฏิบัติสะดวกรูธ้ธรรมะได้ง่ายถ้าปฏิบัติไม่เลี่ยมกระทบกระทือนผิดปิุกุศลเสมอถ้าผิดก็ไม่ชอบถ้าถูกก็ชอบมันเป็นทุกข์าปฏิปทาทันทัปปิญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ยากกระทบกระทืนอยู่เสม อ, อจงใช้ชีวิตตามปกติ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 เหมือนโคดันทวิศาลเจ้าของโคนันทวิสารผู้เจ้าหน่อยได้ไหม <laughs> โคดันทวิสารเป็นโคมีกําลังมากเจ้าของโคเป็นคนขี้ทุกข์ขี่ยากแต่ว่าอาศัยโคดันทวิศาลไปแค่างานขน สิ่งของพอได้อยู่ได้กินแต่มีกำลังมากก็ไปท่ากันกบเ <c oughs> จ้าของสิ่งของที่บ้างมาขอรับจาบ้างบอกว่านันทวิชานขนได้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 เสียเงินเสียท อ, องนี่เจ้าของคนันทิพย์สารเอาของขึ้นเกวียนให้คนันทิวิสารลากออก็พูดไม่เหมาะไปไอ้นันทิวิสารเธอจงไปเอาให้ไปให้ได้อย่างู ด่าทานทีตำท่าถือไม่เลียวหน้าดาบูดเบื้องตีกัรที่พสารงานทาี่ิสารก็ตำท่าดันก็ตำท่าดันก็ั้องเจ็บปวดต้องเสียใจไม่มีกำลังใจเจ้าของก็ด่างานที่ิสารก็ทิ้งเวียนไปเลยเจ้าของโคก็เสียเงินเสียทอง นั่งทุกก็ท ด, ดิสานก็สงสารเจ้าของก็มาเลียขาเหลียข้างเรลียมือดมเจ้าของสองสารเจ้าของทำท่าจะช่วยเหลือมา ด, ดิสานก็อยากจะไปขนอกีก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 ได้ประโยชน์จากความผิดนั้นผิดเพ่ให้เราได้โลภแต้เหมือนถูกก็ทำให้เราได้โลภเท่าเท่ากันให้ภาวะที่โลภเนี่ยเหนือสุกเหนือทุกข์เหนือผิดเหนือถูกใช่ให้เป็นอย่าให้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกหลงเป็นหลงรู้เป็นรู้ให้มันรู้รักษาเดียวกันเหมืนอน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 เาจิตมันา ต, ต้องดึงนิ่งอะไรเอาผิดเอาถูกแล้วก็บอกเขาอาสาธิตให้เขาดูมีเชื่อเขาพวดเทียนพว่าเชื่อขาดาดึงก็มือเครื่องขวบเป็นสุกอรต่งนี้ ถ้าเป็นทุกข์มาทางนี้มันไปอย่างนี้มันสุขมันทุกข์ไปอย่างนี้ก็มันไม่ยังไม่ขาดสุขก็มาทางนี้ทุกข์ก็มาทางนี้พราะ ม, มีนนี้อยู่ถ้าเป็นสุขมันสงบก็ fixed, อยู่อยู่นี้นี่ถูกแล้วทุกแล้วถูกแล้ ว, ล ว, ลวเอาสงบสซะมันไม่สงบผมผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูก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 ชีวิตของเราสอนได้อย่างแน่วนี่เราไม่ผิดรู้จากตัวตัวภาวะที่รู้่ยเป็นสารถีอ่สาถีสัาเทวบรุษสาหนังคือสอนบุรุษสอนคนที่สอนได้ยิ่งกว่าไม่มีใครที่สอนได้เหมือนสารถีตัวนี้มันสุข ก, ก็รูมันทุกขกุลูเป็นสารถี เหมือนฝึกบ้าฝึกข้างฝึกหัวฝึกกล้วยฝึกกรุ๊กต้องถือดามือนผมั้งหลายเหมือนกันหมดจัดโลกทั้งหลายเราจึงมาฝึกตนอ น, อนตอนสิงที่เราเป็นเครื่องเงือก็คือจิตติแล้วก็มีกายมีใจมีรูปเป็นรูปเป็นนามอยู่ มีอะไรที่ทำให้เราฝึกอยู่ตรงนี้เอามาเจ้าหนวดก็เคลื่อนไหวให้รู้อยู่นี่แต่อันที่มันจะรู้มันก็หลงไปดังเงินก็ฝึกตัวนั่นแหละจะระ ถ, ถีแล้วมันหลงไปทางก็ยิ่งก็ฝึกแล้วรู้จึกตัวนะสาระถีแล้วสอนแล้วหลงที่หนึ่งสอนที่หนึ่งให้รู้สุขที่หนึ่งก็สอนให้รู้ทุกที่หนึ่งก็สอนในรู้ ไม่ใช่เอาผิดไม่ใช่โอาถูกไม่ใช่เอาได้ไม่ใช่เอา ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ไม่มีอะไรไม่ต่รู้นี่สารทีผู้สรตทีผู้ฝึกคือธรรมะเนี่ยมีอยู่กันทุกคนทำให้เป็นทำให้เป็นอย่าให้ยากอ่าให้ง่าย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 ถ้าเราไม่ทุกขแล้ว่า น, นแหละคือช่วยกันคือความรักพนุษย์ยิย่งใหญ่ไพศาลไม่เชรแบบ่รักแบบโลกลักแบบโลกตละไม่มีการเปลี่ยนแปลงรักเพื่อช่วยเหลือเพื่อเขาโลเชื่อฟังเหนเราลักก่อลักแม่รักพัญญาสามีลักลูกลักเต้า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 เป็นมากเป็นผลเพราะว่าที่หลงก็ไปไกลเป็นอํา บ, บางภูมิต่าถ้าหลงเป็นหลงไปทางต่ามันจะแยกตรงนี้ถ้าหลงเป็นรูปไปทางนี้ไปทางสูงถ้าหลงเป็นหลงไปทางต่ำมันน้าไหลจ า, ากที่สูงสู่ที่ต่ำยิตของเรานี่ยมัมมกจะไหลสู่ที่ต่าได้ง่าย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 หลงที่หนึ่งสูงขึ้นมาหน้าหลงที่หนึ่งเก้าไปมังเก้าออกจากที่เก่าหลงก็ทําเราไปไกลหลงสองข้างไปไกลรูหนึ่งข้างก็ไปไกลถ้าหลงถ้าหลงรู่ก็ไปไกลก็อยากฆ่าศึก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 เอาไว้หลังแล้วมาอยู่ข้างหน้าแล้วเอาไว้หลังเรื่อยๆไปผ่านไปเรื่อยๆไปเมื่อวันผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความพอใจผ่านความไม่พอใจนี่คือทางมันก็รู้เองอะไรพุนไปก็รู้มันก็หยันตรงนี้หนละ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 มาเห็นทุกเห็นโูกทุกเห็นน้ำทุกเห็นโลกโลกเห็นน้ำโลกนี่เป็นสายไปมาคนหมอไปพ่นพบโลกพุบเพื่อโลกโหพุบเพื่อโลกก็มียารักษาอย่างเดียวเห็นโลกสมมุติเห็นน้ำสมมุติเนี่ย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 แต่ก่อนเราก็เป็นหมสเสียสรดมีคาถาเงียสมมุติปัญญัติถือมัน่นต้องปฏิกรรมคาถาถ้าไม่ปฏิกรรมรักษาคนไม่หายคาถาบางบทปฏิกรรมให้ตัวใหญ่คาถาบางบทปฏิกรรมไม่หลอกตัวเอง บางทีก็ถึงนิมิตหลกตัวเองเราก็กมองเห็นสมุติลื้อถอนเมื่อเปิดประตูทําก็ได้ตรง น, นี้ยเห็นสมมติเห็นปรมัติตเนี้ยเหมือนกับประตูที่เปิดออกปิดได้เงือนน้าต่างเปิดได้ปิดได้เหมือนประตูเปิดได้ปิดได้ เหมือนเราดูโทรทัศน์รายการต่างๆวิตยุสื่อสารต่างๆรายการที่มั น, มนคนอื่นใหมาปิดได้ ไ, ดไม่ถูกต้องเลือกอได้ลปะปฏิชีวิตเลือกได้มาเนี่ยนี่พอมาเห็นตัวนี้นะหลองตาอยากจะบอกว่าประรตูทมอย่างนี้โดยเห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็นปริมาิ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 มันไม่สามารถขงเขินตัวเองได้ความพอใจความไมพอใจอ่ะมันเลยมันเลยอยู่เนี่ยมันขาดไปกันเลยเนี่ยเนความพอใจเห็นความไ่พอใจและความพอใจละความว่่พอใจอในโลกจะได้มีสติเลี้ยงหลยอยู่มีสติแล้วเหลเยอยู่เลยไม่เป็นอะไรกับอะไรก็เจ้าปริพนธ์ตรงนี้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 อยู่ยางนี้เท่านี้เท่านี้ก็พอแล้วคำเอเดียวใหนหลงเป็นลูกหลงสุกเป็นลูกลูเดียเท่านี้ไปได้เลยมีกันได้ทุกคนทำด้ทุกคนไม่มีเพศไมีไวายไม่เป็นเพศเป็นวายไม่มีลทัทธิอะไรจะบวชด้วยบวชไม่ได้เกี่ยว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 อย่าไปมองอะไรที่เป็นเรื่องยากเรื่องง่ายให้อมองถึงประวะที่รู้เนี่ยพิกมือขึ้นรู้ได้ก็นั่นแหละหนโพธิ์มีอยู่กับเราแล้วเวลามันหลงรู้นั่นแหละหนโพธิปลุกลงไปซาดหลงไปมีความเพียรลดน้ำหลงไปขยันลงไปขยันรูลงไปเรือ่องความเพียรมันจะง้องามขึ้นมานอนก็รู้ได้หายใจก็รู้ได้ กันเดากันเจอล้วก็นอนก็ได้หายใจก็หายออกกระเด็กดิ้วก็ได้ว่าแต่รู้นี่นะมันอยู่กับเราทั้งหมดเลยเอไปมาชีวิตตั้งชีวิตมีแต่รู้ก็ไปก็เป็นทำให้เป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่มันรู้ฝึกให้เป็นตัวสอนตัวอย่างนี้มีปลาอะไรก็พวกเราเป็นมิเป็นเพื่อนกันจะไม่พาหลงทิศหลงทาง